บทเรียนสำเร็จลูกวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นปถมศึกษาปีที่สี่เรื่องหน้าที่เบื้องต้นของเงินครูผู้สอนนางสาวสุ ม, มาลีภาษีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนวัดประสาทสำนักงานเขตตลิงชันคลิกที่เข้าสู่บทเรียนค่ะ